เรื่องหญิงผู้มีบุตรทีไม่ต้องการมีบุตรหนึ่งเรื่องสมัยนั้นหญิงคนหนึ่งมีบุตรทีจึงถามภิกษุที่นางอุปธรรมว่าพระคุณเจ้าทําอย่างไรดิฉันจึงจะไม่มีบุตรน้องหญิงถ้าอย่างนั้นเธอจงถวายทานอันเลิศพระคุณเจ้าอะไรชื่อว่าทานอันเลิศเมถุนธรรมท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัดสังฆาที่เศษหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พร่องตรัสว่าภิกษุเธอต้องอบัตสังฆาทิเศษวงเล็บเรื่องที่สอง